มีพระรูปหนึ่งนะตอนค่ำค่ท่านก็ทำความสะอาดสาลาก็ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยกวาดมือขวาถือไม้กวาดนะมือซ้ายก็ถือโทรศัพท์มือถือกวาดไปก็ดูโทรศัพท์ไปแล้วก็พอกวาดมาถึงหน้าโต๊ะหมู่บูชาท่านก็สังเกตนะว่ามีหนังสือทำวัด วางไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วก็อัศนะก็ไม่ได้เข้าที่เข้าทางท่านก็เลยเอาไม้กวาดเนี่ยหนีบไว้ใต้ลักแล้ที่ดัานซ้ายที่ถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มลงไปจัดหนังสือหนังหานะให้เป็นระเบียบแล้วก็จัดเสนาสน์อัศน์นะให้เข้าที่ พอลุกขึ้นมาก็ตกใจว่าไม้กวาดหายไปไหนเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยไม้กวาดหายไปไหนท่านก็มองไปรอบๆว่าไปวางไว้ตรงไหนไหมก็ไม่เห็นไม้กวาดท่านลืมไปว่าไม้กวาดเนี่ยหนีไปไว้นะที่รักแร้ด้านซ้ายนะก็เลยไปหาไม้กวาดด้ามไม่มา แล้วก็กวาดนก็กลับมากวาดที่เดิมนะตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชามือซ้ายนี่ก็ยังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะมือขวาก็ถือไม้กวาดอันใหม่กวาดกอวาดไปได้สักพักเนี่ยแขนข้างซ้ายคงจะขยับนะไม้กวาดก็เลยตกลงมาหน้าโต๊ะหมู่บูชา พอเรเสียงไม่กวาดกระทบพื้นท่านก็หายไปมองตกใจเอ้ยไม่กวาดหายไปไหนไอ้ไม่กวาดมาได้ยังไงเมื่อกี้ไม่กวาดหายไปแต่ตอนนี้โผล่ขึ้นมาท่านมองไปที่เพดานนะมันหล่นมาจากฟ้าวะ่ะมองไปรอบๆก็ไม่มีใครนะเอาไม่กวาดมาวางแล้วไม่กวาดเนี่ยมันมาได้ยังไง เมื่อกี้เนี่ยกวาดอยู่ดีหายไปตอนนี้กลับปรากฏขึ้นมาใหม่ตั้งก็ไม่แน่ใจว่าไม่กวาดจริงหรือเปล่านะก็ด้าไม่กวาดอันใหม่เนี่ยเขยเขีเย่ยเขี่ยเขี่ยว่ามันจริงไหมมันฝันไปหรือเปล่าเอ๊ะมันก็จริงนะเป็นไม่กวาดจริงไม่ได้ฝันไปตั้งก็มองไปรอบๆ เ, เกิดอะไรขึ้นนะ ยังไม่น่าใจนะก็เอาด้าไม่กว่าเนี่ยอันใหม่เนี่ยที่ถือไว้เนี่ยเคลียเียไม้กว่าอันเดิมเฮ้ย ม, มันจริงนะหัวอะไรกันเนี่ยนะปฏิหารหรือเนี่ยใจนี้ก็เกิดความกลัวขึ้นมาเลยนะแล้วท่านทำไงนะท่านก็เลยผลนมือไหว้นะ พระพุทธรูปนะนะไม่รู้ว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลปกปักรักษาหรือว่าขอโทษขอโพยนะที่อาจจะไม่ได้มีสัมมาคารวะนะตอหน้าโต๊ะหมู่บูชาอันนี้นี่มันเป็นภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะเพราะว่ากล้องเนี่ย ตรงบริเวณนะ่ะมีกล้องวงจรปิดนะแล้วเขาก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็เลยเอาไปลงเอาไปโพสนะในโซเชียลมีเดียคนดูนี่เป็นล้านเลยนะก็กลายเป็นว่านะได้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยบางที ทำงานไปทำงานไปแล้วก็ลืมตัวนะลืมตัวเพราะอะไรนะลืมตัวเพราะโทรศัพท์มือถือนะปัดกวาดสาราทำความสะอาดนี่ดีนะแต่ว่าดูโทรศัพท์ไปด้วยนะมือขวากวาดมือซ้ายก็ดูโทรศัพท์นะแล้วมาดูไปดูไปมันลืมตัวนะ เวลาจัดหนังสือเนี่ยก่อนจะจัดหนังสือเนี่ยลืมไปนะว่าหนีโทรศัพท์มือถือไว้นะที่รักแร้ไอตอนที่เอาด้ามไม้กวาดเนี่ยหนีบไว้กับรักแร้เนี่ยลืมไปนะลืมไปว่าเอาด้ามไม้กวาดเนี่ยหนีบไว้ที่รักแร้ และพอหนีแล้วก็ยังลืมอีกนะลืมว่ากําลังหนีบอยู่ระหว่างที่ไปหาไม้กวาดอันใหม่มาแล้วก็ใช้ไม้กวาดอันใหม่นีกวาดด้วยความลืมตัวพอไม้กวาดอันเก่าเนี่ยอันแรกนี่มันตกลงมานี่ก็ตกใจเลยอันนี้เรียกว่าคนเราเนี่ยหลงลืมได้ง่ายนะโดยเพราะเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือมาช่วยให้มันลืมตัวได้ง่ายขึ้น ลักษณะหนีบเอาไว้นะก็ยังไม่รู้นะอันนี้เรียกว่าลืมกายนะลืมกายคือลืมไป ว, ว่ากายนี่กําลังทําอะไรอยู่นะก็เหมือนคนที่กินข้าวนะกินข้าวแล้วก็ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยบ่อยครั้งก็ลืมไปนะว่ากําลังกินอยู่ ท, ทั้งทั้งที่มือก็เขยีนขยับ ท, ทั้งที่ปากก็เคี้ยวหรือไม่ได้ดูโทรศัพท์มือถือแต่ว่า ใจลอยนะไหลเข้าไปในความคิดเสรษความคิดเข้าไปเต็มที่ก็เลยลืมลืมกายอันนี้คล้ายๆกับที่เคยเล่านะมีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเนี่ยแกเลี้ยงลูกเนี่ยเด็กก็อายุไม่กี่ไม่กี่เดือนนะปกติแม่เนี่ยก็ให้ลูกเนี่ยนั่งรถลาก เด็กยังเดิมไม่ค่อยได้นะก็ใช้รถประเภทนี้แหละให้เด็กนั่งแล้วก็เด็กก็อาจจะบริหารขาด้วยการขยับแข่ง ข, ขยับขาแต่วันนั้นเนี่ยแม่เนี่ยอุ้มลูกเอาไว้ด้วยมือซ้ายนะส่วนมือขวาดูโทรศัพท์แล้วก็ใช้ท้าเนี่ยขยืนขยับรถ ล, ลากนั้นน่ะซึ่งเป็นรถลากที่ว่างเปล่าเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในมือแม่แล้ว ดูโทรศัพท์เพลินนะพอลัาสายจ า, จากโทรศัพท์มองไปที่รถลากไม่เห็นลูกตกใจลูกหายไปไหนมองไปรอบๆห้องไม่เห็นลูกเลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินตามหาลูกโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกเอาไวน้นะหาอยู่นานเลยนะจนกระทั่งเกิดเฉลียวใจขึ้นมา มองมาที่มือซ้ายอ้าวอุ้มลูกอยู่นี่ลูกไม่ได้หายไปไหนไอตอนต้องอุ้มลูกอยู่เนี่ยไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวทีแรกเพราะไม่รู้ตัวทีแรกเพราะโทรศัพท์มือถือเพลินกับโทรศัพท์มือถือตอนหลังเนี่ยแม้จะลาสายตาจากโทรศัพท์แล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะว่ากำลังอุ้มลูกเอาไว้ยังดีนะระหว่างที่เดินตามหาลูกเนี่ยไม่ปล่อยลูกนะ ถ้าเกิดปล่อยลูกลงมาปล่อยลูกนี่ลูกตกลงมากับพื้นี่ลูกของแย่เลยยังดีนะที่แม่นี่นะนะยังจับลูกเอาไว้จนกระทั่งมารู้ตัวว่าอุ้มลูกอยู่นี่ขนาดลูกนี่มีน้ำหนักนะมีน้ำหนักหนึ่งสองสามกิโลหรืออาจจะมากกว่า น, นั้นแต่ไม่รู้ตัวนะล้วคนเราเนี่ยแม้ว่าเราจะ ตาเปิดหรือทำโน่นทำนี่ได้เนี่ยฟังรู้เรื่องนะดูโทรศัพท์ก็รู้เรื่องแต่ตอนนั้นมันไม่รู้สึกตัวมาไมไ่รู้สึกตัวเต็มร้อยอุ้มลูกว้ยนี่ไม่รู้พระรู้ที่ว่านี่นะท่านอัดหนีบไม่กวาดดอกยาเนี่ยไม่กว่าดอกยาที่มันเบานะไม่เหมือนกับเด็กนะเด็กนี่หนักสามสี่กิโล นี่ไม่กว่าว้นี่ไม่รู้ตัวนี่ก็ยังพอว่านะแต่อุ้มลูกเนี่ยสามสี่กิโลแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าอุ้มเนี่ยตามหาลูกอยู่นั่นแหละหาไม่เจออันนี้มันเช่อเลยนะคนเราเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยเราลืมตัวกันง่ายนะแม้กายทำโน่นทนํานี่แต่ว่าไม่รู้ว่ากายทำํำอันนี้รู้ว่าไม่รู้กายและหลายคนเนี่ยก็เพราะความลืมตัวก็ตกใจนะ แม่ตกใจที่หาลูกไม่เจอพระก็ตกใจที่ไม้กวาดหายไปไหนแล้วพอไม้กวาดมันตกกับพื้นก็ตกใจว่าเนี่ยปาฏิหารหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ปาฏิหารนะหลายครั้งที่เราเคิดเป็นปาฏิหารเนี่ยหรือสิ่งอัศจรรย์ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเกิดจากความหลงลืมมากกว่าและทีแรกพอหลงลืมแล้วก็ทําให้เกิดความกลัวอันนี้เรียกากลัว กลัวเพราะไม่รู้นะกลัวเพราะหลงแต่คนเราไม่ได้กลัวเพราะหลงอย่างเดียว น, นะบางทีเราก็โศกเศร้าเพราะหลงหรือว่าทุกข์เพราะหลงอันนี้เราว่าทุกเพราะความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่รู้สัจธรรมความจริงเท่านั้นนะแม้ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ทำให้ทุกข์ได้ทำให้ตีความไปต่างๆนานา ลูกหายไปไหนไม่กอดมาได้ยังไงนะอันนี้ยังดีถ้าเป็นแค่ตกใจนะแต่ว่าคนเรานี่มันไม่ได้แค่ตกใจอย่างเดียวมันโศกเศร้ามันเครียดมันขับแค้นใจโกรธบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดจากความปรุงแต่งหรือเกิดจากความไม่รู้แล้วการไม่รู้อย่างแรกคือไม่รู้ตัวนั้นะนะนะนะเราก็ต้องนะใส่ใจนะระมัดระวัง เพราะว่าเราเนี่ยเผลอตัวได้ง่ายโดยเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทําให้เราลืมตัวโดยเพราะทําอะไรพร้อมๆกันหลายอย่างกินข้าวไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่าเล well. ี้ยงลูกไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยนะล้างจานไปด้วยก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยนะหรือว่ากวาดบ้านกวาดใบไม้ก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยอันนี้เนี่ยมันทาให้เกิดปัญหาได้ง่ายนะมีบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกนะ เข็นลูกบนรถเนี่ยไปบนถนนมือก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยนะเข็นลูกไปด้วยบอกกัว่ารถนี่ไปเจอร่องบนถนนนะฟุตบาทนะไปเจอร่องบนถนนเนี่ยแม่ไม่รู้นะพอดูโทรศัพท์นี่รถนี่คว่ำเลยนะเด็กก็เดินออกมาจากรถเลยบาดเจ็บแต่แม่นี่แทนที่จะโทษตัวเองนะว่าเนี่ยเป็นพ่อเราหลงนะเป็นพ่อเราลืมตัวเนี่กลับไปโทษเทศบาล น, นะ ว่าปูถนนไม่รืดไม่ไม่ราบเรียบนะทำให้เกิดอุบัติเหตุอนนี้ก็เป็นไปได้ถึงเพียงนี้นะไปโทษคนอื่นแทนที่จะโทษตัวเองเอันนี้ก็เป็นปพราะพิกของโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ลืมตัว